ตอนที่ห6ึหยวนเศร้าเหิงเตรียมตัวไปต่างประเทศช่างเธอรอให้ผ่านพ้นช่วงปีใหม่ไปก่อนค่อยว่ากันเด็กตัวแค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าจะแสดงความต้องการของตัวเองออกมายังไงอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรอให้พูดคําว่าขอน้ํากินหรือขอกินข้าวได้ก่อนไม่ใช่เหรอลีชิงผิงสายหน้าเหนื่อยหน่อก็ต้องทนเอาตอนเด็กๆก็ต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาพอเด็กๆโตขึ้นก็คงไม่เหนื่อยขนาดนี้แล้วถึงตอนนั้นพอพวกเขาไปโรงเรียนเธอก็คงพอจะมีเวลาหายใจหายคอบ้าง ตอนนี้ร่างกายของแม่ควรจะบำรุงให้ดีจริงๆค่ะการกินอย่าบำรุงหรืออาหารบำรุงก็ไม่สู้การได้พักผ่อนอย่างเต็มที่หลีหวันเห็นรอยคล้ำใต้ตาของแม่แล้วไม่ต้องถามก็รู้ว่าเมื่อคืนคงไม่ได้นอนพักผ่อนแน่ๆคุณย่าบอกว่าจ้างที่เลี้ยงแล้วไม่ใช่เหรอกะทำไมแม่ถึงต้องเลี้ยงลูกสองคนอยู่บ้านคนเดียวละ่ะคนก่อนหน้านี้ลากิดบ่อยเกินไปย่าของลูกเห็นว่าไม่เหมาะสมก็เลยเลิกจ้างไปหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอีกสองคนแต่แม่ก็รู้สึกว่าไม่เข้าท่าทั้งคู่ ลี่ชิงผิงสายหน้าเธอไม่ใช่คนเรื่องมากแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่ยอมรับได้ยากจริงๆคนหนึ่งแอบหยิกเด็กตอนที่เธอไม่อยู่หลีชิงผิงมาเจอตอนพาลูกเข้านอนว่าที่ต้นขาด้านในของลูกมีรอยเขียวช้ำส่วนอีกคนก็ไม่มีขอบเขตมักจะเข้ามายุ่งยามเรื่องในครอบครัวมากเกินไปคอยชี้แนะและออกความเห็นไปเสียทุกเรื่องหลังจากเลิกจ้างที่เลี้ยงสองคนนี้ไปก็ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ตอนนี้กําลังหาอยู่หลี่หวานช่วยอะไรเรื่องนี้ไม่ได้มากนัก เธอทำได้เพียงช่วยดูแลน้องๆในช่วงที่ลากิจกลับมาบ้านเท่านั้นหลังจากที่ร่างกายของเจิ้งอวินฉงฟื้นตัวเกือบจะสมบูรณ์แล้วเขาก็จะไปรายงานตัวที่เขตทหารอยู่บ่อยครั้งได้ยินว่าหาตัวคนร้ายตัวจริงที่ทำร้ายเขาคราวที่แล้วเจอแล้วแต่รายละเอียดเขาไม่ได้เปิดเผยให้คนในครอบครัวรู้ เวลาผ่านไปไวเหมือนโกโหกพริบตาเดียวก็เข้าสู่ฤดูหนาวอีกครั้งหลีหวานรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าฤดูหนาวปีนี้หนาวเป็นพิเศษตอนนี้เธออยู่ในวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตพื้นฐานแล้วจึงต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ทุกปีหลังจากโรงเรียนปิดเทอมหลีหวานก็มีเรื่องให้ทำที่บ้านทุกวันไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นซื้อของกับหลีชิงทิงหรือไปตลาดกับคุณย่าชีวิตแบบนี้ช่างผ่อนคลายและเป็นอิสระเหลือเกินช่วงที่ผ่านมาหลีหวานก็ไม่ได้เจอหยวนเศร้าเหงิงเลยแม้ว่าเธอจะนึกถึงเขาเฉพาะตอนที่ไม่ยุ่งก็ตาม แต่การไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้จะบอกว่าไม่คิดถึงเลยก็คงเป็นการโกหกเธอคิดว่าช่วงปีใหม่เขาน่าจะมาอวยพรที่บ้านแต่ผลปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้มาจนกระทั่งหลีหวานและพี่น้องทั้งสามคนไปอวยพรปีใหม่ที่บ้านตระกูลหยวนตามธรรมเนียมถึงได้รู้ว่าทางมหาวิทยาลัยของหยวนเศร้าเหฮงกําลังวุ่นอยู่กับเรื่องนักเรียนแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศและเขาก็มีแผนที่จะไปต่างประเทศด้วยช่วงนี้เขาจึงพักอยู่ที่มหาวิทยาลัยตลอดและปีใหม่นี้ก็ไม่คิดจะกลับมา หลี่หวานได้ยินที่คุณอายวนพูดก็ชะงักไปไปต่างประเทศหรือคะประมาณกี่ปีถึงจะกลับมาหยวนเฟยไปต่างประเทศน่าจะประมาณสามปีมั้งรายละเอียดจะเป็นยังไงฉันเองก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันที่มหาวิทยาลัยมีเรื่องอะไรเศร้าเหิงก็ไม่ได้บอกฉันเป็นคนแรกหรอกยังไงตอนนี้เขาก็ยังหนุ่มไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงพวกเราก็สนับสนุนถ้าไปต่างประเทศตอนนี้แล้วเรียนจบมหาวิทยาลัยที่นั่น ก็คงต้องอยู่ต่ออีกสองสามปีเพื่อเรียนต่อปริญญาเอกแน่ๆหางั้นพี่ใหญ่ของผมก็ต้องไม่กลับมาอีกหลายปีเลยสิเจ้งเศร้าซึ่งตกใจก็น่าจะเป็นอย่างนั้นหยวนเฟยพยักหน้าอีกครั้งสามปีแล้วสามปีแล้วรวมๆกันแล้วอย่างน้อยก็ต้องหกเจ็ดปีเลยเหรอพอได้ยินกระทันหันว่าจะต้องจากกันนานขนาดนี้ในใจของหลีหวานก็รู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกแม้แต่ตัวเธอเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจ ตามหลักการแล้วพอได้ยินเรื่องนี้เธอควรจะรู้สึกโล่งอกถึงจะถูกแต่ทำไมถึงไม่มีความคิดที่ว่าจะดีใจเลยสักนิดหลังจากกลับมาจากบ้านตระกูลหยวนหลีหว่านก็ยิ่งจมอยู่ในความคิดเธอรู้สึกว่าถ้าเรื่องบางเรื่องไม่คว้าเอาไว้ตอนนี้จะต้องเสียใจภายหลังแน่ๆ น, นี่เป็นครั้งแรกที่หลีหวานเกิดอาการนอนไม่หลับหลังจะเกิดใหม่แม้แต่ตอนกลางคืนจะกินยา น, นอนหลับไปถึงสองครั้งก็ยังไม่ได้ผลเลยสักนิดวันรุ่งขึ้นเธอจึงตรงไปยังมหาวิทยาลัยของหยวนเศร้าเหินการตาหาเขานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย หยวนเซ้า เ, เหิงหลี่หวานปฏิกิริยาแรกของเขาก็คือชะงักไปเล็กน้อยเธอมาได้ยังไงเข้ามาในห้องก่อนสิหยวนเซ้าเหิงสังเกตเห็นปลายจมูกของเธอที่แดงกำ่ำเพราะความหนาวจึงรีบเบี่ยงตัวให้เธอเข้ามาในห้องหยวนเซ้าเหิงพักอยู่ในหอพักห้องเดียวของมหาวิทยาลัยในห้องมีเพียงเตียงเดียวหนึ่งหลังและโต๊ะหนังสือหนึ่งตัวเรียบง่ายมากเธอมาได้ยังไงหยวนเซ้าเหิงถามซ้ำอีกครั้งหลี่หวานมองเขาที่ข้ฉันรู้เรื่องที่พี่จะไปต่างประเทศแล้ว พี่ตัดสินใจเมื่อไหร่ปฏิกิริยาแรกของหยวนเซ้าเหงิงคือไม่พูดอะไรเขาเหมือนกําลังคิดอะไรบางอย่างจนกระทั่งหลี่วานถามออกใหม่ครั้งอ้อพี่แค่มีความคิดนี้เฉยๆยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอนหรอกพ่อกับแม่บอกเธอเหรอหยวนเซ้าเหิงคิดว่านอกจากพวกเขาที่รู้เรื่องนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีคนอื่นรู้อีกคะ่ะหลี่ว่า น, นพยักหน้าเธอเม้มริมฝีปากเล็กน้อยที่ไปต่างประเทศครั้งนี้ต้องอยู่ที่นั่นกี่ปี ถ้าตัดสินใจจะไปจริงๆอย่างน้อยที่สุดก็ต้องอยู่ข้างนอกห้าปีขึ้นไปไม่อย่างนั้นการไปต่างประเทศครั้งนี้ก็คงไม่มีความหมายอะไรธุรกิจที่บ้านก็ไม่ต้องให้พี่ดูแลพ่อบอกว่าไปฝึกฝนข้างนอกสักสองสามปีก็ดีจะได้เปิดถูเปิดตาพอถึงเวลาค่อยกลับมาสืบทอดบริษัทต่อหยวนเศร้าเหิงพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มต่ำอืมหลี่หวานไม่ได้พูดอะไรต่อเพียงแต่ก้มหน้าลงหวานหวานเป็นอะไรไป ดวงตาคมเข้มของยวนเศร้าเฮงฉายแววประหลาใจเขาคิดว่าหลังจากหลีหวันรู้เรื่องที่เขาจะไปต่างประเทศแล้วไม่ควรจะแสดงสีหน้าแบบนี้ออกมาถ้าเธอไม่มีความรู้สึกอะไรให้เขาเลยก็ควรจะแสดงท่าทีเฉยเมยแต่ปฏิกิริยาของเธอในตอนนี้เห็นได้ชัดว่าเธออะไรอาวรเปล่าแค่ฉันแค่รู้สึกแปลกใจที่พี่ตัดสินใจกับทันหันแบบนี้ฉันกําลังคิดว่าที่พี่จะไปต่างประเทศเป็นเพราะเรื่องของฉันหรือเปล่าคุณยากกับคนอื่นๆต้องไม่อยากให้พี่ไปแน่แนเพราะถ้าไปครั้งนี้ก็ต้องจากกันถึง5ปีอีก5ปีข้างหน้า วน่นว่นเรื่องนี้พี่ก็บอกคุณย่าแล้วคุณย่าสนับสนุนให้พี่ไปอ้ อ, องนั้นก็คงเป็นเศร้าซิงกับคนอื่นๆที่ไม่อยากให้พี่ไปและเธอละ่ะหยวนเศร้าเหิงเลิกคิ้วความคิดของคนอื่นสําหรับพี่แล้วมันไม่สําคัญเลยพี่แค่อยากรู้ว่าในใจของเธอคิดยังไงถ้าเธอบอกว่าไม่อยากให้พี่ไปพี่ก็จะไม่ไปฉันลีวันลังเลอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดก็เหมือนจะตัดสินใจครั้งสําคัญได้เธอพยักหน้า ฉันเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองอะไรอววรหรือเปล่าแต่มันรู้สึกแปลกๆไม่ค่อยชินที่พี่จะจากไปนานขนาดนี้จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยในประเทศเราก็มีที่เก่งๆมหาวิทยาลัยต่างประเทศก็ใช่ว่าจะดีกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศเสมอไปแน่นอนว่านี่คือชีวิตของพี่พี่มีสิทธิ์ที่จะเลือกฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจแทนที่หรอกคะ่ะหยวนเศร้าเหิงมองเธอเงียบๆอยู่นานในที่สุดเขาก็หลุดคําออกมาที่รู้แล้วว่าเธอคิดยังไงหลี่วานอึกอักไม่รู้จะพูดอะไรดีหวานหวาน เธอกําลังคิดอยู่ใช่ไหมว่ายังไม่เข้าใจความรู้สึกที่มีต่อพี่แล้วก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนไม่ใช่แบบพี่น้องอย่างที่เธอคิดแต่ถ้าจะให้เปลี่ยนมาเป็นแฟนกันเธอก็ยังรู้สึกตะิีตะขวงใจอยู่ค่ะลิวันนพยักหน้าอย่างแรงฉันไม่รู้ว่าควรจะทํำยังไงดีฉันไม่รู้ว่าความรู้สึกที่มีต่อพี่คืออะไรเธอโสดมาตลอดทั้งสองชาติไม่เคยมีความรักเลยไม่เข้าใจว่าความรู้สึกรักใครพวกนี้มันเป็นยังไง ฉันแค่อยากให้พี่พิจารณาให้ดีอย่าตัดสินใจในสิ่งที่ต้องมาเสียใจภายหลังเสียใจเรื่องอะไรเสียใจที่ชอบเธอหรือเสียใจที่ไปต่างประเทศ